โย ว, วโยว่าไงโยกยผสมพงว่างไงโดยดีแลพงอ่ะเป็นไง ม, มันเป็นอะไรก็รู้ไปนะรู้ไปใจไม่เป็นกลางยายก็โดดเข้าไปแทรกแทรกมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนตันหาเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการสร้างพบพบก็คือการทํางานทางใจรู้สึกนะ อยากก่อนแล้วก็กระโจนเขาไปทําแล้วอะไรเกิดขึ้นละ่ะความทุกข์เกิดสิเพราะพบมันเกิดนี่ทุกข์ก็ต้องเกิดสินะคําว่าพบก็คือคําว่ากรรมาพบนิดหนึ่งกรรมาพบก็คือการทํางานทางใจมีความอยากหรือตัณหาเกิดขึ้นมันก็สร้างพบจะทํางานทางใจขึ้นมาแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นมานะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ความทุกข์เป็นผลเพราะงั้นความทุกข์ไม่ต้องไปเกลียดมันความทุกข์เป็นผลเป็นวิบาก เกลียดมันก็ไม่หายเราไปเกลียดผลแต่เราทําเหตุเข้าใจไหมคือเรามีความอยากขึ้นมาเราก็ดินน้นรนทางใจขึ้นมาพอใจเป็นทุกข์นี่ยเราไม่ชอบเราทําเหตุของความทุกข์แต่เราปฏิเสธผลคือปฏิเสธตัวความทุกข์นั้นท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้เหตุคือตัวสมูทยัยให้ละเสียทุกข์นั้ไปละมันไม่ได้อ่ะหมอว่าไงหมอหมอธุลี <c oughs> อก็อยู่ด้วยกันนะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นราคาก็แทรกราคาจะเกิดตามสุขเวทนาโทสะเกิดตามทุกขเวทนามูฮันนี่ยืนพื้นนีนักปฏิบัติเนี่ยพอสุขเวทนาเกิดเนี่ยมันช่วยไม่ได้ก็คนมันมีบุญมันจะมีความสุข ความสุขมันเกิดก็ดีแล้วไม่ใช่ความทุกข์ต้องเกิดอย่างเดียวความสุขเกิดขึ้นมาจิตเกิดราคะให้รู้ทันเพราะราคะเป็นกิเลสราคะไม่ใช่ความสุขนะนั้นถึงเรารู้ว่าจิตมันชอบความสุขความสุขก็ไม่ได้หายไปหรอ ก, กคนละเรื่องกันถ้าเหตุของความสุขยังอยู่ความสุขก็ยังอยู่นั้นจิตมีความสุขขึ้นมาก็ดีแล้วถ้าราคะแทรกก็รู้ทันมัน ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยกิเลสจะคลับงงำจะติดใจจะติดใจในความสุขอยากได้ความสุขอีกอยากให้ความสุขอยู่ถาวรเอามันไม่ได้มันจะทุกข์เอ๊หมอธุลีที่ถามมาเนี่ยไม่ใช่กันบ้านเลยนะคือมันดูแล้วมันแย่อ อ, อ, อ, ออ่อเอออย่างงี้พอเป็นกันบ้านเลยนึ ก, น, กนึกขึ้นมาก็ถามเอานะอว่างไงว่างไงที่เรา เพร า, วาวะรว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสติตัวจริงไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยความเศร้าจะอยู่ไม่ได้เลยความเศร้าเป็นอกุศลเป็นโทสะถ้าสติตัวแท้เกิดความเศร้าจะดับทันทีแต่ทําไมไม่ดับเพราะสติไม่เกิดอะไรเกิดแทนรู้ไหมโทสะอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นแทนกําลังอยากหายเศร้าไม่ชอบความเศรารู้สึกไหมไม่ชอบความเศร้าไม่ชอบความเศร้านี่แหละโทสะอีกตัวหนึ่ง วันใจของเราไม่เป็นกลางเมื่อใจไปรู้กิเลสใจไปรู้โทสะแล้วเนี่ยใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะพอใจเป็นกลางไปความอยากให้โทสะให้ความเศร้าดับเนี่ยหายไปความเศร้านี้จะหายไปด้วยกิเลสอื่นก็เหมือนกันเวลาสติไปรู้เข้าเนี่ยถ้าสติตัวแท้เกิดเนี่ยกิเลสจะดับทันทีเช่นเราโกรธถ้าสติไปรู้ความโกรธเนี่ยความโกรธจะดับ แต่ส่วนใหญ่ชอบไปคิดต่อบมันจําความโกรธไว้มยังคิดว่าความโกรธยังอยู่อีกนะมันจำไว้แล้วก็ไปเกลียดความโกรธอยากให้ความโกรธนั้นหายไปจิตกําลังมีความโกรธตัวที่สองซ่อนไว้งั้นไม่เห็นหรอกความโกรธตัวจริงตัวตัวแรกก็ไม่ดับเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อดับอะไรทั้งสิ้น สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันถึงจะดับไม่ใช่เพราะเราไปดับมันเข้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ได้มุ่งดับอะไรทั้งสิ้นจะทั้งกิเลสก็ไม่ได้มุ่งไปดับมันกิเลสเป็นสังขารขันหน้าที่ของเราต่อขันคือการรู้ดังนั้นกิเลสโทสะเกิดขึ้นความเสียใจเกิดขึ้นความเศร้าเกิดขึ้นความกลัวความกังวลความอิดช้าตระกูลโทสะทั้งหมดเลยหรือตระกูลโลภะ <c oughs> เป็นห่วงหวงหึง <c oughs> เสียดายเสียดายนะี่เสียใจแล้วเป็นโทสะใหกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดขึ้นมาให้รู้มันไม่ใช่ให้ละมันนะถ้าอยากละล้วก็เราจะทุกข์ซนะ้ำสองนั่นจับหลักให้แม่นนะทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันหนะ้ากิเลสทั้งหมดเลยอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อขันคือการรู้ไม่ใช่ละว่าไงยังคิดไม่ยอมเลิก อา้าวนกว่างไงนกอาตอบถูกแค่ได้ถูกใจอย่างนี้อา้าวชื่ออะไรลืมอีกละเออแทน่ามาเป็นไงเ ร, เราติดโรคกันอยู่ใกล้กันแต่แต่ซึมไม่เท่านกนะนกซึมแรงกว่ารู้สึกไหมนกซึมแรงกว่าแล้วก็รู้เอานะไม่ต้องแก่หรอกดูความซึมเนี้ย ความมัวเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะอย่าไปเกลียดเขาถ้าเกลียดเขาก็เหมือนตะกี้เนี่ยนะที่เกลดกิเลสเกลียดกิเลสแล้วก็กิเลสก็ครอบอยู่นั้นแหละนะไม่หายเอาใครใครอีกครับคุณหมอวันนี้หมอเยอะเลยหมอพอเวลาคืนต่อจะหับเนี่ยครับบางทีรู้สึกว่า มันใจมันุ่งสรครับว่าช่วงจะหลับเคลื่อนๆนช่วง่ตื่นนใหม่ๆอาเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนั้นะเวลาที่ปฏิบัติยากที่สุดนะคือตอนตื่นนอนใหม่ๆยากที่สุดเพราะโมหมะจะแทรกวรูกว่าอย่างเวลาอย่างาขับรถเนี่ยครับง้สว่าหูราได้ยิน แล้วก็สักข้ามก็ไปตาิตามองเห็นภาพจิตข้างหน้าที่กำลังขับรถอ้ถามก็ไปที่ขาที่กลับบงเหยียบใช่ใช่มันกระโดดไปกระโดดนั่นแหละถูกต้องแล้วนะเพราะจิตนี่เกิดดับทีละดวงจิตไปรู้ทางตาแล้วก็ดับจิตไปรู้ทางหูแล้วก็ดับไปรู้ทางกายกายพีเหยียบรู้แล้วก็ดับเห็นไหมจิตเกิดดับเกิดดับก็หายไปมันก็เลอเบอไปอืราะเห็นภาพหน้า อ่าถูกต้องแล้วนะเพราะจิตนี่เกิดทีละดวงเกิดทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับเกิดทางใจแล้วก็ดับเห็นไหมจิตเกิดตรงไหนก็ดับที่นั่นอ่ะไม่ใช่ว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาดวออกไหมไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่วิ่งไปทางตาแล้วก็กลับมาแล้วก็วิ่งไปทางหูแล้วกลับมาไม่ใช่จิตเนี้ยเกิดทางตาก็ดับที่ตาเกิดทางหูก็ดับที่หูเพราะจิตที่เกิดทางตาทําหน้าที่รู้รูปอย่างเดียวไปฟังเสียงไม่ได้ จิต ท, ที่ไปเกิดที่หูฟังเสียงได้อย่างเดียวไปรู้รูปไม่ได้จิต ท, ที่เกิดทางกายรู้การกระทบรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนั้นจิตมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับคุณหมอรู้ไปรู้เล่นๆต่อไปจนะเห็นเลยโอ้หาสาระไม่ได้เลยชีวิตนี้อยู่กับปัจจุบันขนานี้นะมีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับว่าแป๊บว่าแป๊บไปเรื่อยสุธรรมว่าไงสุธรรม ก็ไม่เป็นไรนะแต่ละค น, ไ ม, ไ, มนไม่เป็นไร <c oughs> ใ, ชไใช้ได้ใช้ได้บางคนก็วงจรก็สั้นบางคนก็ยาวแอ่ว่าทุกครัง้งทุกครั้งที่สุขสลับเนี่ยมันชัดชิตลนะแล้วจะสังเกตแล้วตัวเองจะชอบตอนมีุมืมมันจะแล้วมันจะ้ อ, อืมอธรรมดานะเทวดาภาวนายาก เทวดาความสุขเยอะมันก็เผลอเพลิน เ, ลนเพลินไปภาวนาลำบากทุกมากเกินไปก็ภาวนาไม่ไหวนะสัตว์นรกหรือคนกำลังอกหักไปตายไม่ตายแหล่อะไรเงี้ยภาวนาไม่ไหวเป็นมนุษย์ปกติอย่างพวกเราเนี้ยกำลังพอเหมาะพอดีที่จะภาวนางั้นต้องรีบทำให้แต่ตอนนี้อย่ารอจนความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถึงจะภาวนางั้นมันไม่ไหวน้าที่ไหน ละ่ะอ๋อเป็นบุญนะแกนมีรศักดิ์มาจากสุโขทยัยอ่ะแอสตันว่าไงแอสตันอเออดีดีด สิ่งนี้ที่บอกเนี่ยนะหมายถึงว่าอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบเสียนะนันจะดูพองยุบก็ดูไปนะอย่างแต่ว่าพอเลิกดูพองยุบแล้วเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวอย่าไปกำหนดนะรู้พองยุบแต่ไม่ใช่กำหนดนะท่านแยกกันออกอยยางตรงนีนะ้กำหนดเนี่ยอธปถาบอกว่าใช้ไม่ได้นะมันจะทำให้เกิดความเครียดเครียดขึ้นมางันะ้นให้เราเร า, เ ร, ารู้รู้เราเห็นร่างกายเนี่ยพองไปยุบไป แอสตันดูออกไหมใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้พองยุกไปแต่ใจของเราเป็นคนดูเนี่ยการแยกรูปแยกนามนีม่สําคัญนะบางทีดูพองยุกไปใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเคยเป็นไหมให้รู้ทันว่าใจหนีไปที่อื่นนะแล้วเราก็ดูท้องพองยุกไปใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นบางทีใจก็ไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันว่าใจเราไหลไปที่ท้องเนี่ยคือเรามีการปฏิบัติในรูปแบบไปบ้างไม่งั้นเราจะอ่อนแอลง ถ้ามาดูจิตอยู่ในชีวิตประจาวันเนี่ยถ้าอินทรีย์ไม่แข็งพอนะบางทีดูไม่ออกใจมันจะเคลื่อนออกไปแล้วเรานึกว่าเห็นอยู่แต่ไม่เห็นออกจะเหมือนกับเห็นแต่ว่าจริงจริงจิตมันจะเคลื่อนออกไปออกนอกเมราะ้ไม่ทิ้งการทำในรูปแบบนะเดินจงกรมอะไรเงี้ยมีประโยชน์แต่เดินจงกรมก็คือเดินมีสตินะไม่ใช่เดินเพ่ง น, น, น่ายากเพราะเราติดเนี่ย เราเคยชินเนียจิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินนะอย่างบางคนเคยชินที่จะรู้ลมหายใจจิตชอบไปเพ่งลมรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้าบางคนรู้อิริยาบทสี่เพ่งตัวทั้งตัวเลยก็มี mm hmm. เพ่งทั้งกายเลยทื่อๆ อ, อ, อย่างเงี้ยรอให้มันเมื่อยแล้วค่อยๆหาทางขยับออก mm hmm. มันจงใจทําทั้งหมดเลยหรือบางคนขยับมือขยับมือจิตไหลเข้าไปอยู่ในมือก็เพ่งเหมือนกัน เพงั้นไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรสิ่งที่พลาดก็จะมี2 อ, อย่างเหมือนกันหมดทุกชนิดเลยของกรรมฐา น, นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการสุขาริการนิโยกไหลาตามกิเลสไปเพลิดเพลินตามกิเลสไปลืมกายลืมใจตนเองนะคือหลงไปนั่นเองอันที่สองก็คือการเพ่งไว้บังคับกายบังคับใจรู้สึกไหมเราดูเราก็บังคับไปเรื่อยนะไม่ใช่สักว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยสิ่งผิดมี2งงานเพราะงั้นขณะที่เราเดินจงกรม เราเห็นรูปมันเดินไปใจมันเป็นคนดูสบายๆดูไปใจหนีไปที่อื่นรู้ทันใจลงไปเพ่งรูปรู้ทันรู้ทันือจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจก็จะเป็นคนดูเห็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินละจะแยกออกไปได้ว่าไอ้ที่นี่ปรากฏนี่เป็นรูปธรรมนี่นามธรรมาไม่มีตัวเราตรงไหนใครดูไปนะสตันดีลอะอะคนนี้ล่ะ รู้สึกไหมเรายัางเร่าความรู้สึกของตัวเองเกินธรรมดานิดหนึ่งดูออกไหมนะ <c oughs> อัะนเนี้ยให้เห็นเนี่ยไม่เป็นไรละะถ้าเห็นแล้วไม่มีปัญหามันมีปัญหาเฉพาะไม่เห็นเะเพราะงั้นรู้อย่างที่เขาเป็นแล้วก็ไม่เป็นปัญหาละนะอืะอ อ, บบ อ, อือก็ให้รู้ทันไปก็ดีแล้วนี่ ไปสร้างขึ้นมาก็รู้ว่าไปสร้างขึ้นมาเข้าไปแช่รู้ว่าไปแช่ะจิตไหลไปแช่เนี่ยมันจะชินพวกนักปฏิบัติชอบเข้าไปนอนแช่และแช่เพลินๆนะคิดว่าดีนี้พอเรารู้ว่าแช่แล้วไม่ถูกนะต่อไปเราจะไม่ชอบแช่อีกแล้วเกลียดอีกแล้วไม่เป็นกลางอีกแล้วจะกลับข้างไม่อยากแช่ไม่อยากแช่รู้ทันอีกไม่อยากแช่ไหนใครจะส่งกันบ้านเอาคุณปกรณอนมามาเริ่มไม่ต้องถามก็ได้ รู้สึกแปะดีแล้วนะคุณนี้ลาเป็นผู้หญิงเนี้ยน่นแะจัดไปตอนนี้เป็นธรรมดาไหมขนา จ, จนิตนี้ธรรมดาไหมรู้สึกไหมเราประคองความรู้สึกไว้นะตรงนี้เกินธรรมดานิดหนึ่งนะ อย่าไปจงใจไม่ใช่พิติหรอกทันทีที่จิตไปรู้สภาวะตรงความเป็นจริงนะจิตจะโล่งขึ้นมาเลยสว่างนะจิตจะเกิดโสมนัตเวทนาขึ้นมะาตัวนี้เป็นตัวโสมนัติเวทนาที่ประกอบกับมหากรุศุรจิตคือทันทีที่จิตของเราเกิดสติเนี่ยจิตจะเป็นจิตชนิดที่เรียกว่ามหากรุศุรจิตเป็นจิตที่มีบุญเยอะ ดังนัจิต ท, ที่เป็นมหารกรุสุรจิตเนี่ยจะมีเวทนาจะมีความรู้สึก2 อ, อย่างเท่านั้นนะคือ1มีโสมนัสมีความเบิกบานผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเองชัว่วขณะแล้วก็หายไปนะอันที่สองมีอุเบกขาเวทนาจิตจะขึ้นรู้สึกขึ้นมานุ่มๆ น, นะเป็นกลางนุ่มๆแต่ว่าไม่มีความสุขผุดขึ้นมาจะมี2ชนิดเท่านั้นไม่มีความทุกขนะ์จิต ท, ที่มีความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับอัปปุสุรจิตเท่านั้นตัวความทุกข์ ความทุกข์ทางใจนะโทมาัทเวทนานะเกิดร่วมกับอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนั้นไม่ใช่ตัวปิติหรอกทันทีที่เกิดสติที่อ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนไหมทันทีที่เกิดสตินะจิตเป็นกุศลจิตก็มีความสุขในฉับพลันนั้นเลยนะความสุขนี้แหละเป็นเหตุใกล้ะนะให้เกิดสมาธิเมื่อจิตใจมีความสุขหรือจิตเป็นอุเบกขาก็ถือว่ามีความสุขเหมือนกันแต่สุขไม่ไม่รุนแรงอย่างเวลามีโสมา น, นะ จิตมีความสุขเนี่ยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อมันมีสติไปรู้รูปรู้นามรู้สภาวะแล้วเกิดความสุขขึ้ น, นมันจะเกิดสมาธิคือเกิดความตั้งมั่นจิตใจมันจะอยู่กันเนื้อกับตัวชั่วขณะไม่ว่าขณิกะสมาธิรู้สึกไหมตอนที่ผุดขึ้นมารู้สึกมันตื่นเต็มขึ้นมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นนะแล้วก็ดับนะการที่เห็นว่ามันดับนั่นแหละดีแล้วห้ามรักษา รเลยมันดับหมดแล้วเพราะมันจะกลายเป็นอกุศลอกุศลอะไรรู้ไหมมีโลภะอยากดูนะเพราะฉะนั้นสตนิดับไปแล้วไมะให้รู้ทันนะมันอยากดูปิติอยากดูโสมนัสเวทน า, นาตัวนั้นไม่ใช่ปิติอยากดูปุ๊บความอยากเกิดขึ้นท่นนานะอกุศคลครอบงำแล้วกุศลดับเรียบร้อยแล้วหล่นรูปเลยนะการที่เราเห็นแค่นี้มีประโยชน์เยอะนะแอสตนัน มันมันจะสอนให้เราเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างเราเผลอๆ อ, อยู่พอเรารู้สึกตัวเนี่ยความเผลอก็ดับเกิดความรู้สึกขึ้นแทนความรู้สึกเนี่ยเก่งแค่ไหนก็อยู่ช่วขณะเท่านั้นแหละก็ดับอีกก็พอดับแล้วก็เกิดสองงานไม่เผลอครั้งใหม่นะก็ไปเพ่งเอาไว้นะถ้ารู้ทันว่าเผลอไปอีกก็ตื่นขึ้นอีกช่วขณะหนึง แล้วถ้าไปรู้ว่าเพ่งบางทีไม่หลุดออกมาชอบเข้าไปแช่เพราะมันเคยชินนะเข้าไปเพง่งเข้าไปแช่ใจไม่ชอบมันให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบพอใจเปลนกลางปุ๊บก็จะหลุดออกจากการแช่จําได้ไหมตรงนี้ไม่ยากนะง่ายการปฏิบัติง่ายที่สุดเลยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยมันทำของมันเองดูออกไหมหน้าที่ของเราก็แค่ตามรู้ตามดูเนี่ยคําว่าตามรู้ หมายถึงว่ามันเกิดสภาวะขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่ามีสภาวะอันนั้นแล้วสภาวะทั้งหมดนั่นแหละสอนธรรมะเราสัง เ, เกตไหมจิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้มีแต่เกิดแล้วก็ดับรวดเดียวเลยนะใจลอยแล้วหนุ่มเนี้ยอืมย่าไปหลงชิดนะไปหลงยังตั้งใจทําทราบไหม เออเลิกซะนะนิสัยอย่างนี้เลิกเนื้อแม ว, แมว <c oughs> ทำให้มันสบายนะปฏิบัติต้องสบายนะแค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วนี่แอสตันเริ่มเห็นแล้วะจิตตั้งมั่นอยู่กับเนือ้อกับตัวก็มีความสุขอีกนะจิตเกิดปัญญาก็มีความสุขนะถ้าเวลาจิตเกิดปัญญาครั้งหนึ่งนะมีความสุขสองวันสามวันอย่างนี้จิตเกิดมัชยังมีความสุขอีกแบบอ้าวเชิญเชิญ ตอนนี้เหรอขณะเป็นอย่างตอนนี้ไหมแล้วตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมรู้สึกไหมใจใจเราไม่เป็นธรรมดาไม่รู้สึกไหมว่าเราประคองไว้เอ อ, เ, อ, อเลิกประคองซะนะประคองไว้นั่นแหละคือการเข้าไปบิดเบื่อมัน เ, ออเข้าไปแทรกแซงเข้าไปควบคุมเข้าไปบังคับนะเรียกว่าอัตตะกิลมัทธานิยโยกเรียกว่าความปรุงแต่งใส่กุศล ถามาดีไหมรักษาไว้ดีนะเป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วแต่จะบรรลุมรควนไหมไม่บรรลุหรอกเพราะคนละเรื่องกันะไม่ได้บรรลุเพราะดีน ะ, ะบรรลุเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเอาใครใครใครจะส่งกันบ้านเชิญเอานิปนัดนัดหรือนเน็ดเออาว่ามาโนนด้วยสามคนพี่น้อง ก็รู้ทันก็ดีแล้วนะอ้าวแล้วพี่ชายว่าไงขยันดูไหมแ ล, ล้วคำนี้หลวงพ่อไม่เคยได้ยิน <St ül uk id> เอาใหม่เอาใหม่ <st ül uk id> ไอ้คนขี้เกียจมันตายไปแล้วนะ <st ül uk id> เรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไะอ้คนขี้เกียจ น, นะก่อนจะมาวัดมันเป็นคนขี้เกียจให้มันตายไปแล้ว <st ül uk id> คนปัจจุบันนี้กำลังเรียนรู้การเจริญสตินะ งั้นเราไม่ข้ามขวนถึงอดีตนะอดีตผ่านมามันขี้เกียจเรื่องของมันเอาปัจจุบันไหมอา้าคนเล็กว่าไงเออดีดีถูกใจถูกใจนะที่จริงสามคนพี่น้องดีขึ้นนะดีขึ้นทั้งสามคนเลยรู้สึกไหมความรู้สึกตัวมันเด่นมากขึ้นมากขึ้น ทำถูกทั้งสามคนแหละเกที่ว่าขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจเท่าไหร่หรอกไอ้ขี้เกียจมันไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนี้หรอกเอามีใครอีกเชิญเชิญหนูนาไหมเอาคุณน้นนอ่ะแทนแตนอ่ะชื่ออะไรลืมอีกแล้ว <c oughs> ชื่ออะไร <c oughs> อ่ะอ๋อพิติตเหลอพูดเป็นใจรักดี <c oughs> ว่าคำนี้ใหม่กันละขยันสีขยันนะขยันนะเรามีความสุขชีวิตคนเราความทุกข์เยอะนะวความทุกข์จะวิ่งมาชนเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ล่วงหน้าเลยลเราพยายามรู้พยายามดูของคุณทิติก็ดีแล้วละ่ะที่ว่าขี้เกียจ น, นะความจริงต้องใช้คํานี้ถึงจะถูกไม่ได้จงใจปฏิบัติเมื่อได้ไม่ได้จงใจปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้ น, นมามันรู้เอง ทิิรู้สึกไหมเวลากิเลสเกิดเรามองเห็นได้นี่แหละเรียกว่าปฏิบัตินะไม่ได้เรียกว่าชี้เกียรนะส่วนในตั้งท่า ท, ทําท่าขรึมขรึมเร่งเร่งไม่เรียกว่าขยันปฏิบัติหรอกนะนั่นเรียกว่าทําผิดงั้นที่ทําอยู่นี่แหละถูกแล้วแต่ว่าดูให้บ่อยหน่อยถ้าดูไม่บ่อยนะดูไม่เป็นมันไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนี้หรอกรู้สึกไหมใจเรามันตื่นมันสว่างขึ้นมามันตื่นขึ้นมาดีแล้วนะดีล่ะ เอาหมอไพรว่าไงพยาพยามหรือโยนไปเลยามว่าพยายามทิ้งไปรู้ก็รู้นะไม่รู้ก็ไม่รู้เอาสักงานหนึ่งไม่ต้องพยายามจะรู้นะพยายามรู้นี่มันหลงแน่นอนแล้วไงแล้วไงทำไมต้องพยายามละ่ะเอออย่าให้ห ล, ลงนานหลงนานน่าเกลียดนะคุณศัก์คุณศัก์ว่าไงอือ อ้อตอบถูกใช้ได้เห็นไหมมีโมหะก็ไม่ว่านะใจดีหาครูบาอาจารย์ใจดีอย่างี้หายากนะเนี่ยชมตัวเองไม่ลูกศิษย์มีโมหะยังไม่ว่าเลยขอให้รู้ว่ามีโมห mm hmm. ะพระพุทธเจ้ายัางชมเลยนะไม่ใช่หลวงพ่อชมคนเดียวท่านบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยด mm hmm. ตงงีตูนเมื mm ่อง่ายตูนอะไรนะ เออดีแล้วรู้สึกเรื่อยๆนะแข็งไปหรือเปล่าตอนเนี้ยตัวแข็งเกินไปหรือเปล่า อ, อแข็งก็รู้ทันนะแต่รู้สึกไวแต่อย่ากแกล้งทาอีกแกล้งทําละนะอาบุญนี่ล่ะที่ใส่แว่นตาไปคุยอะไรไหมหรือยังนี่ล่ะสีส้มเนี้ยเชียงใหม่หรืออะไรอะไรเนี่ยเป็นไงบ้างเคยมาไหมไม่เคยอืม แล้วเคยฝึกมาแบบไห น, นไม่ใช่สิเรียกพองยุบนะเดี๋ยวอาจารย์ว่านะพองหนอยุบหน่อยยังดีไนดะ้ดีกว่าบางคนบอกฝึกยุบหนอพองหนอ <c oughs> อะไรนะรทำไมนะไม่มีใครกลุ่มได้นะ แ, แ, กแก้ไม่ได้ <c oughs> ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้แก้ ไม่ใช่ให้มันดับลงแต่ดูไปซิว่ามันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ไปพยายามดับมันนะมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเราคอยดูไปเหมือนเราดูคนอื่นอ่ะเหมือนดูคนอื่นมีโมหะไม่ใช่เรามีโมหะถ้าเราดูเหมือนเห็นคนอื่นมีโมหะเราจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีโมหะนะเราจะเดือดร้อนเราจะหาทางแก้ซึ่งนี่ผิดหมดเลยดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธทาเป็นไหม ดูเหมือนเห็นคนอื่นโลกดูเหมือนเห็นคนอื่นหลงใช่เราเป็นคนดูเป็นกลางเออยายคนนี้มันกําลังหลงอยู่มันกําลังมีโมหะนั่งดูซิมันจะโมหะนานแค่ไหนไม่ใช่เพื่อให้หายนะดูไปเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรายไม่ใช่ดูให้กิเลสหายเพราะฉั้นถ้าวัตถุประสงค์ของการดูผิดเนี่ยเราจะปฏิบัติผิดเลยเช่นเราปฏิบัติเพื่อจะให้กิเลสหายไปเพอกิเลสเกิดเนี่ยหาทางละแล้ เรื่ความโกรธเกิดขึ้นโกรธเนอโกรธเนอเมื่อไหร่จะหายสักทีเนาะเนี่ยแถมเข้าไปนะใจไม่เป็นกลางนะั้นความโกรธเกิดขึ้นนะรู้ว่าความโกรธมันผุดขึ้นมาเห็นมันผุดไห ม, มผุดขึ้นในอกเนี่ยในดูของจริงอย่างนี้นะส่วนจะไปโกรธหนอะไม่หนอะอะไรนะั่นเป็นอุบายอุบายของอาจารย์นะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแต่ว่าต้องข้ามอุบายเข้ามาให้ถึงหลักให้ได้อาจารย์สอนให้โกรธเนาะโกรธเนอเพื่ออะไร เพื่อให้หัดรู้สภาวะของความโกรธต้องหัดรู้สภาวะนะไม่ใช่ภาวนาบริกรรมเพื่อให้หายโกรธถ้าโกรธน้อโกรธนอเพื่อให้หายโกรธนี่คือสมถะไม่ต้องโกรธนอก็ได้ท่องกอเอ๋ยก็ไก่เคาะไข่อยู่ในแล้วเดี๋ยวก็หายโกรธเหมือนกันะเพราะมันคืออะไรมันคือบริกรรมอ่าเหมือนเห็นคนอื่นโกรธอ่ะนะทําได้ไหมอย่างงง่ายนะ เหมือนเห็นคนอื่นพยักหน้านี่ยายคนนี้แกพยักหน้าอยู่นะเราเป็นคนดูนเออเป็นกระจกสองใจตัวเองแล้วตอนเนี้ยกระจกหายไปไหนรู้สึกไหมเอากระจกมาโยนใส่หลวงพ่อ <c oughs> รู้จักตื่นหรื อ, อยังเม <c oughs> ื่อกี้แวบหนึ่งตื่นขึ้นมาใ จ, จามันจะโล่งว่างมันจะเหมือนมันสว่างขึ้นมา อมันรู้ทางแนละ้วมันโปร่งมันเบามันโล่งขึ้นมานั่นแหละคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวละ่ะเกิดขึ้นชั่วขณะนะครั้งละแว บ, บเดียวเทวดาก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะของเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มันเกิดถาวร น, นะแต่ฝึกให้มันเกิดบ่อยมันถาวรไม่ได้มันของไม่เที่ยงไม่ได้มีการเรียนหรือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถาวร น, นะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่ถาวรที่ผุดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้น อ่ะคุณที่มีหางเปียมาจากไหนเป็นไงภาวนานอย่างไงบ้างแล้วรู้สึกไหมตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี้ยเราอินในเรื่องที่เราคิดรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดของเราให้รู้ทันเลยเราหลงก็ไปคิดละถ้ารู้ทันเราจะตื่นขึ้นมารับรองไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดตอนหลับ ตอนเผลอตอนหลงความทุกข์ไม่เกิดตอนรู้สึกตัวอย่างตอนเนี้ยฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็คิดตามไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเราไปรู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายลืมใจของเราขนาดไปรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจก็เรียกว่าหลงเหมือนกันไม่ว่าหลงคิดกิเลสและความทุกข์เนี่ย เ, เกิดตอนหลงความทุกข์ในใจเราเนี่ยเนี่ยใจลอยแวบบดูออกไหมเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม หันรู้สึกนะแล้วความทุกข์จะตกหายไปกลางทางเลยชีวิตจะมีความสุขอย่างรวดเร็วนะถ้ารู้สึกตัวเชื่อหลวงพ่อเถิดถ้ารู้สึกตัวเป็นนะความทุกข์จะหายไปทันทีเลยนะมันจะสว่างว้าบขึ้นมานะในขณะนั้นความทุกข์ไม่มีตอนนี้หนีปีกคิดอีกแล้วรู้ไหมงงรู้ไหมงงรู้จักงงไหมสงสัย อ, อ่ให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เนี่ยรู้ลงไปที่ใจเรา ดูไปที่ความรู้สึกดูความรู้สึกของตัวเองนะการปฏิบัติธรรมนะหัดดูความรู้สึกของตัวเองไปนะถ้าอย่างมันสงสัยผุดขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันนะความสงสัยจะหายไปใจจะโล่งสว่างแต่ถ้าสงสัยขึ้นมาแล้วรีบไปคิดหาคำตอบนะใจยิ่งหลงหนักกว่าเก่าอีกนะจะหลงไปคิดเลยเนี่ยหลงไปคิดอีกแล้วรู้ไหมนะฟังไปแล้วก็คิดฟังไปแล้วก็คิดนะให้คอยรู้ทัน จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ฝึกแค่นี้ก็พอแล้วถ้าฝึกแค่นี้ได้นะความทุกข์ก็ตกหายแนละ้วนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจลอยไปแล้ว ก็ให้รู้ทันสภาวะลงไปทีละขณะเลยใจวุบ ก, ก็รู้ว่าวุ๊บนะว่าจริงๆเนี่มันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นนะนี่จิตมาใส่ยอยู่ชั่วคราวนะนี่พอไปรู้ความจริงแล้วใจมันวุบลงไปมันไม่ชอบหรอกมันสยองมันไม่อยากตายนะแล้วก็รู้ทันใจวุบลงไปก็รู้ทันนะ เออใช้ได้รู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอารมณ์เนี้ยเปลี่ยนแปลงทั้งวันน่ะเปลี่ยนตลอดแต่ถ้ามันเปลี่ยนเร็วนะอย่าไปไล่ตามดูทีละอันนะสมมติมายิบยับยิบ ย, บ, ยบดูไม่ทันให้รู้แบบรวบยอดเลยแล้วตอนเนี้ยกําลังฟุ้งซ่านอยู่มองแบบภาพรวมมันจะหายฟุ้งซ่านปุ๊บใจจะตั้งมั่นแล้วคราวนี้อารมณ์จะไหลามาช้าๆค่อยๆดูไปถ้ามันเร็วฉีจนดูไม่ทันนะกรู้ทั น, อ, นอีกนี่จิตฟุ้งซ่านอีกแล้ เดี๋ยวก็จะไหลช้าๆค่อดูไปเรื่อยง่ายจะตายไปพวกเราเรียนเยอะไปมั่งอ่ะหนุ่มนี้ล่ะเออครั้งแรกไม่เป็นไรอย่าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน คือต้องพยายามพยายามศึกษานะว่าปัญหากับความทุกข์เนี่ยคุณละอ่านกันถ้าเราไปคิดว่าปัญหาคือความทุกข์แล้วก็ทุกข์ทั้งวัน่ะทุกข์ทั้งปีแล้วชีวิตนี่ไม่เคยหมดปัญหาเคย ร, รู้สึกไหมปัญหาในชีวิตเรานะหมดเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็มาจะหมุนอย่างนี้ตลอดชีวิตนะไม่มีวันหมดหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือความทุกข์ถ้าปัญหาเกิดขึ้น สมมติว่ามีปัญหาในบ้านเราไม่อยากให้ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทุกข์ยกตัวอย่างมีสศรษฐีคนหนึ่งเช็คเด้งสิบล้านถามว่าเช็คเด้งเนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์เช็คเด้งเป็นปัญหานะใช่แต่ไม่อยากให้เด้งอ่ะมันเลยกลุ้มใจกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมันทุกข์นะทำไมทุกข์อ่ะไม่อยากให้มันเด้งแต่ถ้าเราเห็นปัญหาเรารู้สึกว่าชีวิตกับปัญหามันของคู่กันธรรมดา รู้มันไปใจเย็นๆถ้าใจเราปรุ่มใจเราก็รู้ทันนี่ส่วนเกินของชีวิตเกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดในใจเราอยา่าไปอยากให้หายนะให้รู้ลูกเดียวเลยดูซิดูเหมือนเห็นคนอื่นทุกข์อ่ะเราเป็นคนมองนอกดูเหมือนดูคนอื่นทุกข์ถ้าดูได้อย่างนี้นะใจเราจะไม่ทุกข์เหลือแต่ปัญหาอันเดียวใช่ใช่ แต่นนั้นมันเป็นอะไรพูดทางทฤษฎีไงะนะเอาในทางแง่ของการปฏิบัตินะเวลาใจมันกลุ่มใจเนี่ยให้รู้ทันว่ามันกลุ่มใจดูเหมือนเห็นคนอื่นกลุ่มใจอะ่ะยามดูเหมือนดูคนอื่นเขากลุ่มใจเราเป็นแค่คนดูไม่กลุ่มใจหรอก <c oughs> ค่อยๆแยกอย่างเงี้ยแยกไปอีกหน่อยไม่กลุ่มใจนะเหลือแต่ปัญหาอันเดียวตอนเนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเ <c oughs> นี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหม เนี่ยใจลอยแวบไปแล้วรู้สึกไหมใจหนีไปมีแวบไปไปคิดนะนี่ให้รู้ทันรู้ทันใจของเราเรื่อยๆหลวงพ่อจะบอกให้นะความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดตอนที่ใจเรานี่ไปคิดนะถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยความทุกข์จะมีไม่ได้เลยความทุกข์เกิดตอนที่หนีไปชิดอย่าไปจ้องไว้นะใช้ได้คืออย่างนี้พอสมมว่าเรามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้น ใจเรากลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งแก้ปัญหาไม่ตกเยีเย่ยเมื่องทีสร้างปัญหามากกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพอปัญหาชีวิตเกิดขึ้นใจเรากลุ้มใจนะเราจะเห็นความกุ้มใจเนี่ยความกลุ้มใจนี่มันจะหลุดไปเหมือนเหมือนเราเห็นคนอื่นกุ้มใจเลยนะเราไม่กลุ้มใจใจิตใจเราสบายมีความสุขกินข้าวได้นอนหลับนะสมองแจ่มใสไปคิดแก้ปัญหาออกา ไม่เราใช้ใช้ทฤษฎีไม่แก้นะแก้ไม่ได้ให้คอยดูของจริงในใจเราในใจเราความทุกข์ก็ไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวทุกข์มากเดี๋ยวทุกข์น้อยดูอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาพอลืมเรื่องนี้ไปลืมเรื่องที่เป็นทุกข์อ่ะความทุกข์ก็หายไปพอนึกขึ้นใหม่มันก็กลับมาใหม่เห็ น, ะนไหมความทุกข์ไม่คงที่นะเนี่ยคอยดูไปความทุกข์ไม่คงที่หรอก ok? หัดดูไปอย่างนี้ก็ได้ ถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยความทุกข์นี้ไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปมันจะนั่งดูจนกระทั่งใจเราไม่ไปทุกข์กับมันค่อยฝึกอย่างนี้ผ่าวายไหมเอาหน้าหลวงพ่อเชียต้องสู้นะสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญานะไม่ใช่สู้ด้วยกําลังสติปัญญาก็คือให้คอยสังเกตใจเราใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยเดี๋ยวความทุกข์ก็หายไป เน่ฝึกรู้อยู่แค่นี้ก็พอแล้วฝึกอยู่อย่างเนี้ยต่อไปใจมันจะถอดถอนตัวเองขึ้นมันจะถอดถอนออกจากกองทุกข์ใจไม่ทุกข์นะความทุกข์มันเกิดทีเผลอแต่ถ้าเรารู้ทันจิตเป็นทุกข์เป็นสุขมันเรารู้ไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมตรงที่รู้ว่าหนีไปคิดะใจมันโล่งๆขึ้นมาหน่อยนึงนสบายขึ้นมา เนี่ยนีไปคิดอีกแล้วท ร, บราไบ ไ, ไ, ไหมต้องค่อยๆฝึกนะกคือปกติเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยก็คือฝึกตั้งแต่ความทุกข์อย่างน้อยๆพ อ, อความทุกข์เยอะแล้วเนี่ยมาเริ่มฝึกเนี่ยลําบากนิดนึงต้องอดทนมากเลยนเพราะความทุกข์มันรุนแรงแล้วผลวพ่อเปรียบให้ฟังคล้ายๆคนจะหัดว่ายน้ําเนี่ยต้องหัดว่ายตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำใช่ไหม ถ้าตกน้ําจะจมไม่จมแลแล้วคิดว่าจะว่ายน้ํำยังไงเนี่ยว่ายไม่ได้นะมันจะลําบากงั้นอย่างใจของเราเนี่ยถ้ามันทุกข์มากแล้วเนี่ยนะต้องอดทนนะค่อยๆเรียนรู้ไปดูซีความทุกข์นี้คงที่หรือไม่คงที่นะความทุกข์อะความรุนแรงของมันในใจเราเนี่ยนะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบารู้สึกไหมอย่างตอนเนี้ลืมความทุกข์ไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมว่ามันเกิดดับนะมันไม่ใช่ทุกข์รวดเดียวทั้งวันทั้งคืนนะ ความทุกข์เนี่ยมีเกิดเกิดดับดับพอคิดแล้วก็ทุกข์ไม่คิดไม่ทุกข์ไอคิดเรื่องอื่นก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์เนี่ยเกิดดับเกิดดับกิดดับเพราะงั้นชีวิตเราไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ทั้งวันนะถ้าแยกเป็นนะเรามีชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยจะพบว่ามีขณะ ท, ที่ไม่ทุกข์เนี่ยเยอะแยะเลยเพราะงั้นไม่ใช่ทุกข์ทั้งวันหรอกทุกบ้างสุขบ้างตลอดชีวิตเลยนะตลอดวันเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม นนนเนี่ยลองหันไปดูคนนั้นดูสิเนี่ยเราหันไปดูเขาสิรู้สึกไหมว่าตอนนี้ไม่ทุกข์ไม่ความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราเองแต่ความคิดเป็นของที่ห้ามไม่ได้นะเพราะฉะั้นเมืม่อความคิดเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันดูซิความทุกข์เนี่ยคงที่หรือไม่คงที่เราจะเห็นเลยเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวเขาคิดใหม่มาใหม่คิดใหม่ก็มาใหม่ หนีไปอีกแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจตัวเองอเ ค, คื อ, องี้เราฝึกต้องแยกกันนะศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้เราไปแก้ปัญหาธุรกิจแต่ศาสนาพุทธสอนให้เราเนี่ยแก้ปัญหาความทุกข์ในใจของเราเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วมีความสุขมีความเบิกบานแล้วเนี่ยนะเอาจิตใจที่เข้มแข็งนี่แหละไปคิดแก้ปัญหาคนรละสเต็ปกันนะอย่างพวกนักธุรกิจของฝรั่งเนี่ย เด น, นี้ฝรั่งมันไปเข้าคอร์สเรียนธรรมะกันนะค่าเรียนแพงมากเลยเป็นแสนๆเลยของเราเรียนฟรีนะั่นยังไม่ค่อยยอมเรียนเลยนะเดี๋ยววันหลังหลวงพ่อเก็บสตางใหแยกกันมาเรียนนะนะเขาอุตส่าห์ไปเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักว่าทําไงจิตเขาจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจิตจะเข้มแข็งจิตจะไม่มีความทุกข์เป็นจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเอาจิตที่แข็งแรงเนี่ยไปทําธุรกิจ กันแยกกันนะไม่ใช่ว่ามาเข้าวัดไหวพระสวดมนต์แล้วหุ่นจะขึ้นนะไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องกันศา ส, สนาพุทธสอนสับปของศาสนาพุทธนิดเดียวเองทำไงจะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยคนอื่นเขาทุกข์เยอะแล้วปัญหาขนาดนี้เขาทุกข์เยอะเราทุกข์น้อยกว่าทุกข์น้อยกว่าหัวสมองแจ่มใสกว่านะไปสู้กันกับไอ้คนหัวทื่อๆเรามีโอกาสชนะเยอะเลย ถ้าใครจะคุยอะไรเชิญได้อีกสักคนหนึ่งเดี๋ยวก็ขอคุยกับพระบ้าง ไ, ไ, ไม่ได้อ่ะจิตเนี้ยมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อเข้าไปรู้เรื่องที่เขาคิดแล้วเนี่ยเขาจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ดังั้นรู้รู้รู้ได้ครั้งละอย่างถ้ารู้กายรู้ใจอยู่ก็จะไม่คิดนั่นคิดกับรู้เนี่ยศัตรูกันหลวงพ่อเทียนเนี่ยบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมว ไม่เป็นนอนอยู่กรงเดียวกันคนละขณะหลวงปู่ดูลก็บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้เพราะทําไมอ่ะทําไมรู้ะเพราะหมดวมัวแต่คิดเรารู้เรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราคิดไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นเองเราั้นเราก็รู้ความจริงไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกตัวเราหลุดออย่างโลกของความคิดเรารู้กายรู้ใจเรารู้ความจริงได้แล้วอย่างตอนนี้คุณหมอนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหม ขณะที่คุณหมอนีไปคิดรู้สึกไหมลืมกายลืมใจแค่นี้เองะสังสารวัตเนี่ยที่ดูลึกลับมันซ่อนเราด้วยวิธีนี้เองมันซ่อนเราด้วยการดึงเราไปอยู่ในโลกของความคิดเราก็เลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เราก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจข้ามสังสารวัตรไม่ได้งั้นมารหลอกเรานิดเดียวเองหลอกให้คิดนะ่ะ มารที่เรอให้คิดนี่ชื่อว่าอภิสังขารมานนะคิดไปคิดไปก็เกิดกิเลสมารนะ <c oughs> เสร็จแล้วสุดท้ายมัจจุมานะไปกิน <c oughs> อะไรนะอะไรนะทไมเราถึงรู้ว่าเรามีะนี้อยู่ในอเนชาที่ันไม่ไม่ไม่เป็นอเนชาไม่ถึงอเนชานะอาเนชานี่เข้าอารูป <c oughs> มันจับไปอย่างนั้นอนะ่ะมันจับตรงนี้เป็นแค่แคล้ายๆบริกรรมนิมิตไงนะยังไม่เข้าถึงอนเนชชานะเป็นแค่จับนิมิตคือความว่างเท่ น, นั้นเองเราใช้ความว่างเป็นนิมิตเป็นบริกรรมนิมินะตถ้าห ล, ลงใจเข้าไปน้อมเข้าไปเคล้าอยู่โดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วนะแล้วก็ลืมโลกเลยอันนั้นอนะ่ะถึงจะเป็นผลของมันนะอ้านะก็ไม่ไม่เร็วนะแต่ว่าไม่เกิดปัญญา อย่ากลัวอย่ากลัวไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ถึงไม่ถึงนะตรงรูปประชาญยังไม่ถึงเลยไม้ตรงอรูปก็ไม่ถึงหรอกแล้วก็ให้รู้ทันใช่ไหมมันยังคิดได้ถ้าเข้าสมาบัติแล้วไม่คิดแล้วตรงนั้นยังคิดอยู่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวติดนะไม่ติดหรอก่อับนนี้ผมกำลังาสมาบัตอยู่ครับ เร่องเราจะเริ่มมันบ า, บามาครับอันนี้ผมเลิก แ, แล้วนะครับคุสภาวะพระพุทธคุภาวะเนี่ยช่วงที่มันบาเข้าม า, นาหน่อยเนี่ยในตัวเนี้มันจะบางด้วยครัหลวงพอ่อพิสูนดยตัวอืนๆมัน ม, มันเคยเค ย, เคยชินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกหนก็าหายนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับหลักของกรรมฐานได้นะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็ใช้ได้ละยกตัวอย่างอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเรารู้เพื่อให้จิตสงบเนี่ยเป็นสมถะ แต่ถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อจะมารู้ทันจิตของเราอันนี้จะหัดรู้สภาวะได้เช่นเราหายใจสักพักหนึ่งจิตก็หนีไปคิดเคยเป็นไหอถ้าจิตหนีไปรู้ว่าจิตหนีไปหายใจอีกหายใจไปหาย ใ, ใ, ใ, ใจไปจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมเคยเป็นไหมเข้าไปจอ่ออย่าเงี้ยเราก็รู้ทันว่าจิตเราไหลเข้าไปหายใจไปอีกจิตมีความสุขรู้ว่าสุขมีปีติรู้ว่าปีติจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจเพื่อจะรู้ทันสภาวะของจิตใจอย่างนี้ก็ใช้ได้นะ เป็นการหัดรู้สภาวะแต่ของคุณไม่ต้องไปหัดหายใจก็ได้เดี๋ยวติดมัติดง่ายหัดพุทโธก็เหมือนกันนะพุทโธพุทโธไปใจหนีไปรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยหรือดูท้องฟองยุกก็ได้ดูท้องฟองยุกไปจิตใจหนีไปแล้วรู้ว่าหนีไปจิตไหลไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องเหมือนกับที่เพ่งลมนั่นแหละดูเท้าจิตไหลไปที่เท้าก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ งนั้นเสร็จแล้วไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรนะถ้าหัดดูสภาวะเนี่ยมันจะเห็นสภาวะเหมือนกันนะ่นแหะงนั้นต้นทางเราไม่ต้องทะเลาะ ก, กันหรอกว่าไหนดีนะแล้วแต่ถนัดแต่ดูให้เป็นก็แล้วกันถ้าดูไม่เป็นจะเพ่งหมดเลยนะดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูท้องเพ่งท้องดูเท้าเพ่งเท้าดูตะกายทั้งกายก็เพ่งกายทั้งกาย